ตาดกะหนึ 1, ่งเหตุ al, helper, ุทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะเจตุปนัยเหตุุปัจจังรอยยี่สิบสองสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ย่อ2องเทศุปัจจัยมีสองวาระอารมะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสองวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระณอเสวณปัจจัยมีสองวาระนวิปปะปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระ ย่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมปยุตตวาระให้พิจารณเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมาณปัจจัยเป็นต้นสองยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน ซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุด้วยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุด้วยอรมณะปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุโดยนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที Now, ่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุโดยนันตระปัจจัยย่อสองยยีเหตุถูปัจจัยมีสองวาระอาริมณปัจจัยมีสี่วาระมัธิปติปัจจัยมีสองวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีสองวาระอุปนิสียปัจจัยมีสี่วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอารมณะปัจจัยมีสี่วาระย่อ ณอาระมะณะปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีสองวาระย่ออะระมะณะปัจจัยกับณเหตุตุปัจจัยมีสี่วาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลติสระณเหตุตุบทีหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนยัยเหตุุปัจจัยสองอยี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองยยสิบเหตุปัจจัยมีสองวาระอรามะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อนละเหตุปัจจัยมีสองวาระ นาอธิ ป, ปติปัจจัยมีสองวาระนาวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ่งขยายิ่งาชาตะวาระละถึงสมัมบยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระอารามะณปัจจัองยยี่สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรามะณปัจจัย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 สองอารามะณปัจใจมีสี่วาระอธิปฏิปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปานิสยปัจใจมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีหวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระอาสสวะณปัจจัยมีสองวาระ กรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอหาระปัจจัยมีหกวาระอินทรียะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยอ่อ น, นเหตุปัจจัยมีหกวาระณอารมณปัจจัยมีหกวาระยอ่อ น, นเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสี่วาระยอ่อ อารมณปัจจัยขับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลติกะยี่สิบเอ็ดอาชตตารามณะติกะหนึ่งเหตุทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัรอยสา1สิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองสาสิบสองเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อ หน้าอธิปฏิปัจจัยมีสองวารนะนาปุรเรชาตะปัจจัยมีสองวารนะหนาปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวารนะนาอาสวนณะปัจจัยมีสองวาระนาวิปากะปัจจัยมีสองวารนะนาวิปยุตตาปั จ, จัยมีสองวาระยอ่อพืงนขยายสหชาติวาระและถึงสัมปยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนบปฏิจจาวาระเหตุ ป, ปัจจัยและอารมณปัจจัย สองสภาวธรรมที galaxies, player, ่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม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 ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุดารมณะปัจจัยย่อสองร้อยสเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตะปัจจัยมีสี่วาระสมนันตะปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระ นิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระอาเสวะณะปจัยมีสามวาระวิปากะปจจัยมีสองวาระอินทรียะปจจัยมีสองวาระมัคคะปจจัยมีสองวาระสัมปยุตตะปจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปจจัยมีสองวาระย่อณเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอารมณะปจัยมีสี่วาระย่อ ณอารมณ์ปัจจัยกับเหตปัจจัยมีสองวาระย่ออารมณปัจจัยกับณเหตุปัจใจมีสี่วาระย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะณเหตุบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจใจสองยสามสิหสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามะเปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อ พึงขยายสหาชาตวาระและถึงสัมปยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระอารมณะปัจจัยสองสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยขึสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยย่ออารมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ อนันตระปัจจัยม <cera> ีส <lizard indistinct plup> <ând> ี่วาระสหชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีสองวาระอุปนิสียปัจจัยมีสี่วาระอเจวะณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสองวาระละถึงสัมยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีสองวาระย่อ น่เหตุปัจจัยมีสี่วาระนอ่นาอรมณปัจจัยมีสี่วาระน่เหตุปัจจัยกับอรมณะปัจจัยมีสี่วาระย่ออารมณปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยมีสี่วาระยอ่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลเปกะยีสส่สิบสองชนิทัศนะสัพติคาติกะหนึ่งเหตุทุกกะ หนถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะเจตุกนัยสองสาสิบสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ เพงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมพยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระสองสาสิสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุถุกปัจจัยย่อสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุดวยอรมณปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระพื้นขยายให้พิดารเหมือนกับปัญหาวาระในกุสละปิกะณเหตุบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณ์ปัจจัย 239สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ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 สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อสองสสองเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมียีสิอดวาระละถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระอุปานิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21ดวาระย่อณเหตุปัจจัยมี21วาระณอารมณะปัจจัยมี21ดวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมี21วาระณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี21ดวาระย่ออารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ยอ่อสาชาตวาระละถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเจ็ 7, ปัญหาวาระปัจยะเะตุกนายเหตุปัจใจสองยสี่สิบสามสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมะมณปัจจัยยอ่อ อรามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจใจมียี่สิเอดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจใจมียี่สิเอดวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระบุเรชาตปัจจัยมีหกวาระปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระ อาศัยวณัจจัยมีหนึ่งวาระกรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีเจดวาระอหระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมี9ก้าวาระชาณะปัจจัยมีเจดวาระมัคะปัจจัยมีเจดวาระสัมยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิบยุตตปัจจัยมีแดวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีย5้าวาระย่อ นัเหตุปัจจัยมียี่สิบห้าวาระนอารมณะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระยอ่อนเหตุปัจจัยกับอารมณะปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะสนิทัศนะสัปตปิขะตะกะและเหตุทุกกะจบ กุชลติกะสองสเหตุกุกะทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัญญจจะยะเจตุนยัยเหตุปัจจัย์สองยสี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเกิสสดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อหนอธิปติปัจจัยมีสามวาระหนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ นปัชช า, ชาตะปัจจัยมีสามวาระนะอาเจวณปัจจัยมีสามวาระนะกรร ม, มปัจจัยมีสามวาระนะวิปากปัจจัยมีสามวาระนะวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงสัมยุญตาวาระ ให้พิสารเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองสี่สิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งมีเหตุ เป็นปัจจัยขจัสภาวธรรมท bridge, pattern, e uh ี so ople, uh ่เป็นอัพยกฤตซึ่งมีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยขจัสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยขจัสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยขจัสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งมีเหตุ โดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งมีเหตุโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุ โดยที่ปฏิปัจจัยย่อสองรยสิเจดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปจจัยมีแปดวาระอธิปฏิป <Yes. S 1> ัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยมีห้าวาระสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีแปดวาระ อาศยวนะปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระและถึงสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมี9้าวาระณอารมณะปัจจัยมี9้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสาวาระ ยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุสละเดืกอกระเหตุตุกะบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนายเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองร้ 8, สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งไม่มีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัย่ยอสองย่เเหตุปั จ, จัยมีสามวาระอารมณะปัจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจัยมีหนึ่งวาร ะ, จจาระละถึงอวิคตาปั จ, จัยมีสามวาระยอ่อปั จ, จนิยะนะเหตุปั จ, จัยและนัอารมณะปั จ, จัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากิตซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยเกฤซึ่งไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะน่ะอรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริสซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุ เกิดขึ้เพราะอารรมณปัจจัย่อสองยหนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงโนวิกตะปัจจัยมีสามวาระย่อนอธรรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารรมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตะวาระ ละถึงจมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอรมณะปัจจัยเป็นต้นสองห้าสิบอดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุโดยอรมณปัจัย สภาวธรรมที่เป็นอคูสนซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่มีเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่มีเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งไม่มีเหตุโดยรมณะปัจจัย สภาวธรรมที anyway. ่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุโดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุโดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่มีเหตุโดยนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุโดยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่มีเหตุโดยอุปาณิเสยปัจจัยย่อสองห้าสิบสองเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณะปัจจัยมีสีวาระอนันทระปัจจัยมีสีวาระ สมณ um ันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสี่วาระอุปานิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระอาสิวะณปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระ อินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสามยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสี่วาระย่อณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารมณะปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ อารมณะปัจจัยขับหน้าเหตุถุปัจจมีสี4วาระยอ่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะ 1. ภุสลติกะสเหตุสัมบุญตะทุกะ หนปฏิจจวาระเป็นต้นปัจะจะยะตุกนัยเหตุปัจจัย253สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมยุติยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมบัติยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมบัติยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมบัติยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤิซึ่งสัมยุต์ด้วยเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤิซึ่งสัมยุต์ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อสองรห้าสิบสี่เหตุุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจัยมีสามวาระย่อณอธิปติปัจัยมีสามวาระ ละถึงนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระย่อสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนขปฏิจัวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสองห้าสิห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุ ต, ด, ยตด้วยเหตุด้วยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยเหตุโดยระมะณะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งสัมปะยุติเหตุเป็น oh ปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอคุศนซึ่งสัมปะยุติเหตุโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งสัมปะยุติเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตซึ่งสัมปะยุติเหตุโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระย่อสองหเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณ์ป el ัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอานันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวะณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ าหาระปจัยมีสามวาระละถึงสัมยุตตะปจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตะปจัยมีสามวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอรมะณะปจัยมีเก้าวาระย่อณอารมะณะปจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออรมะณะปจจัยกับนเหตุปัจจัยมีก้าวาระย่อ เึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะเหตุวิปยุตตาบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนยัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจสองยห้าสิบเจสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งวิปิยุจักเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งวิปิยุจักเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งวิปิยุจักเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งวิปิยุจักเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปิยุจักเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยย่อ258เหตุปัจจัยมีสวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสาวาระยอ่อนะเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยห้าสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริตซึ่งวิปยุจจากเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตดซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะนะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอารมณะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอารรมณะปัจจัยย่อสองร้อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารรมณปัจจัยมีสามวาระนัทิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อ ชาตะ ว, วาระละถึงสัมปยุตต ว, วาระเหมือนกปฏิจจาวาระเหตุ ay, ปัจจัยอรมณปัจจัยและอนันตรปัจจัย261สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยยากฤิตซึ่งวิปยุจจากเหตุดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเหตุ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 ซึ่งวิปยุจจากเขตเป็นปจัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเขตโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเขตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเขตโด้วยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเขตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากเหตโด้วยนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอ pues ัพยากฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤิซึ่งวิปยุจจากเหตุดยนันทระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งวิปยุจจากเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากเหตุดยนันทระปัจจัยย่อสองรหเทตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระ อนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมานันตระปัจจัยมีสี่วาระชาติชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญะมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระอเสวะณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง ชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสามยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระย่อนเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่อ เพื่อขาอยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในขุรลติกะ